สิขาบทที่สองว่าด้วยการใช้ผ้าผืนเดียวเป็นทั้งผ้าปูนอนและผ้าหูเรื่องภิกษุณีนอนร่วมกันสองรูป936สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่ันพระเชตวันอารามของอนาถาปิธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีสองรูป ใช้ผ้าพื้นเดียวกันเป็นทั้งผ้าปูนอนและผ้าหม่มนอนร่วมกันคนทั้งหลายเที่ยวจาริปไปตามมิหารเห็นแล้วจึงตำหนิประนามโผลนทนาว่าชนายภิกษุณีสองรูปจึงใช้ผ้าพื้นเดียวเป็นทั้งผ้าปูนอนและผ้าหม่มนอนร่วมกันเหมือนหญิงกรหา์ผู้บริโภคการเล่าภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นตำหนิประนามโผนทนา